จรยาปกต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะในครั้งที่แล้วเป็นการตอบปัญหาไปสามข้อแล้วเนาะข้อแรกที่บอกบารมีนั้นคืออะไรข้อสองเนี่ยบารมีนี่มีความหมายว่าอย่างไรข้อสามบารมีมีกี่อย่างนี่ก็มาขึ้นคําถามข้อที่สี่ว่าลําดับของบารมีนั้นเป็นอย่างไรใน อธิกถาปกินณกะคถ า, าหน้าห้า้ยเจ็บสย่อหน้ากโมกโมหรือกะมะตัวนี้แปลว่าลำดับลำดับนั้นปกติมีหลายอย่างด้วยกันเช่นลำดับแห่งการเกิดการเกิดขึ้นอย่างเด็กที่อยู่ในครั น, นมีการเกิดขึ้นโดยลำดับอย่างไรปฐมังกาลลังโหติกาลลังโหติอภูธังเนี่นะก็ตอนแรกก็เป็นหยาดน้ำํำใสๆกลายเป็นน้ําขุ่นข้นอะไรก็ว่าไปค่อยๆ จเจริญเติบโตมาโดยลำดับอันนี้เรียกว่าลำดับการเกิดอย่างที่สองก็เรียกว่าลำดับการปฏิบัติถ้าลำดับการปฏิบัตินั้นต้องขึ้นต้นด้วยสีและวิสุทธิต่อด้วยจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นลำดับที่เป็นไปอย่างนี้เรียกว่าลำดับแห่งการปฏิบัติส่วนลำดับตรงนี้หมายถึงลำดับแห่งเทศนาลำดับแห่งการแสดงในเหตุผลที่หนึ่ง เป็นลำดับแห่งเทสนาไม่ใช่ลำดับแห่งการปฏิบัติเพราะว่าปฏิบัตินั้นไม่ใช่ขึ้นต้นเมื่อไหร่ก็ทานตลอดไม่ใช่เพราะว่าปฏิบัตินี้พร้อมเมื่อใดเจริญอะไรได้ก็เจริญไปเลยไม่ต้องขึ้นต้นด้วยทานเสมอไปอาจจะขึ้นต้นด้วยปัญญาก็ได้ขึ้นต้นด้วยเมตตาก็ได้ขึ้นต้นด้วยศีลก็ได้ขึ้นต้นด้วยเนคขมมะก็ได้ขึ้นต้นด้วยอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละ แต่ น, นี้หมายถึงลำดับการแสดงใช่ไหมอย่างเช่นทานศีลเนี่ยคัมมาปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาที่เอามาแสดงอย่างนี้เรียกว่าลำดับแห่งเทศนาอันนี้เหตุผลที่แรกเรียกว่าเป็นลำดับของเทศนาเหตุผลที่สองเป็นลำดับแห่งการสมาทานครั้งแรกคือท่านสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะสุเมธบัณฑิตตอนที่ท่านสแสวงหาพุทธกาะกะธรรมตอนที่ท่านไข้ครวญพิจารณาว่า ธรรมะอะไรหนอที่ทําให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็พิจารณาใช่ไหมพิจารณาก็เห็นทานเป็นครั้งแรกเมื่อท่านพิจารณาเห็นว่าทานนี่แหละเป็นหนทางที่ท่านผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้ทรงปฏิบัติมาพอท่านเลือกเฟ้นเห็นทานท่านก็สมาทานถือเอาการให้ทานนี่เป็นลําดับแรกว่าเราจะต้องให้ทาน ถ้าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างว่าหม้อที่คว่ําไปแล้วนะหยาดน้ําไม่เหลือแม้แต่หยดฉันใดเราเพึงให้ยากจกทั้งหลายฉันนั้นท่านทานนบารมีเนี่ยถือว่าเป็นลําดับครั้งแรกแห่งการสมาทานเมื่อมีการสมาทานว่าจะต้องให้ทานเป็นต้นนะสมาทานว่าเราจะต้องให้ทานสมาทานว่าเราจะต้องรักษาศีลเจริญเนคขมมะอบรมปัญญา ภาคเพียรด้วยวิริยะมีขันติดํารงมั่นอยู่ในสัจจะอธิษฐานและมีเมตตาประกอบพร้อมด้วยอุเบกขาเนี่ยนะเมื่อมีการสมาทานอย่างนี้แล้วก็ต้องค้นคว้าว่าการให้ทานมีอะไรบ้างขอบเขตของการให้ให้แค่ไหนให้อย่างไรองค์ประกอบแห่งการให้มีอะไรบ้างจริงๆแล้วถ้าเดี๋ยวเรียนในพุทธวงศ์เนี่ยจะรู้ว่าท่านสุเมศบัณฑิตเนี่ยท่านคิดไว้หมดแล้วคิดไว้หมดแล้วคิดไว้ครบถ้วนทั้งหมดเสร็จแล้วก็สมาทาน สมาทานว่าจะต้องปฏิบัติไปตามนี้แหละดังั้นการสมาทานนั้นจึงเป็นเหตุแห่งการค้นคว้าสมาทานว่าจะต้องปฏิบัติในบารมีสิบก็ค้นคว้าพิจารณาถึงบารมีทั้งสิบเมื่อมีการค้นคว้าก็สมาทานอีกครั้งหนึ่งอธิษฐานว่าจะต้องเป็นไปตามนั้นแล้วก็มีการเจริญบารมีเหล่านั้นไปโดยลําดับความที่ท่านสมาทานในการประพฤติบารมีมาแล้วในอดีต ท่านเกิดณที่ใดท่านจึงไม่เผลอไปเกิดเป็นนกเกิดเป็นปลาเกิดเป็นไก่เกิดเป็นกระต่ายเกิดเป็นช้างเป็นม้าเป็นต้นท่านก็ไม่เผลอไม่เผลอในการประพฤติบารมีไปเกิดเป็นน้าเกิดเป็นงูเกิดเป็นเสือเกิดเป็นเสือก็ทํานะบําเพ็ญบารมีเกิดเป็นช้างก็บําเพ็ญบารมีเกิดเป็นอะไรก็บําเพ็ญบารมีทั้งหมดเพราะไม่มีการเผลอ เพราะอะไรเพราะการสมทานการตั้งใจเอาไว้ในอดีตนี้ยิ่งใหญ่จริงๆก็เหมือนกับอะไรนะคิดดูในฝ่ายเลวนะสมทานว่าจะต้องล้างแค้นในคนนี้ตลอดไปเป็นคู่เวรแบบพระเทวทัตเนี่ยนะพระเทวทัตสมทานเนี่ยสมทานเป็นคู่เวรกับพระโพธิสัตว์การสมทานอ น, นั้นยังมีผลมาจวบจนชาติสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ปรินิพพานก็เป็นคู่เวรกันต่อไป ไม่รู้อีกกี่ชาติต่อกี่ชาติเพราะนั่นะ่ะการสมาทานความเลวยังมีผลขนาดนั้นแล้วความดีไม่ยิ่งไปกว่าหรือฉะนั้นการสมาทานความดีนั้นจึง เ, เป็นเหตุให้ได้มีการเจริญเมื่อไปอยู่ณนะที่ใดแห่งหนตำบลใดพบใดชาติใดก็ไม่ละทิ้งในการเจริญบารมีฉะนั้นการสมาทานนั้นจึงสำคัญมากฉะนั้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายหมั่นสมาทานในการประพฤติกุศลธรรม อยู่เสมอสมัธนาเนี่โดยศัพท์แล้วว่าถือเอาถือเอาอย่างเช่นที่เรียกว่าถือเอาเป็นแก่นสารเป็นสาระไม่ละไม่เวนเนี่ยในที่สุดก็ประสบความสําเร็จจนได้การคนา้นคว้าการสมัธนานนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นอันนี้พูดถึงย้อนถอยหลังนิดหนึ่งให้รู้ว่าข้อความสามบรรทัดตรงนี้หมายถึงสมัยที่ท่านเป็นซุเมธบัณฑิตนั่นแหละ ที่ท่านมีการค้นคว้าพิจารณาสมาทานสมาทานอธิษฐานเอาไว้โดยมั่นทีนี้มาดูลำดับว่าในบารมีทั้งสิบจริงๆแล้วก็มีการเชื่อมกันโดยลำดับประดุดลูกโซ่ก็ได้เนะชื่อมกันโดยลำดับดุดโซ่หรือว่าดุดสร้อยคอทองคําที่มันโยงๆต่อๆต่อๆกันไปนะถ้าโซ่ไม่ดีนะสร้อยคอทองคําประดับมุกเนี่ยไม่ประดับอะไรก็ได้ที่ที่เราเลื่อมใสว่า ง, งนะั้น เช่นทานทำไมจึงขึ้นทานเป็นครั้งแรกเป็นตัวแรกเพราะทานนี้มีอุปการะมากถ้าผู้ที่จะรักษาศีลเนี่ยนะเป็นคนตนี่ก็ยากนะที่จะให้ทานได้จะรักษาศีลได้สำเร็จทานนี้มีอุปการะมากต่อสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ทานนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำง่ายที่สุดอย่างเช่นถ้าจะสอนเด็กๆ เ, เนี่ยนะเกิดมาครั้งแรกสอนให้ให้ทานทำไม่ยากใช่ไหม อาบริจาคนะหนูนะใหะ้สอนให้เด็กให้ทานไม่ยากแต่สอนให้เด็กสมาทานศีลเนี่ยนะยากแต่ถ้าสอนให้สัมปตาวิรัตพอทําได้อยู่ใกล้ๆก็ห้ามเป็นต้นเนี่ยได้แต่ถ้าหากว่าสอนให้ตั้งใจสมาทานเป็นต้ น, นอะยากนั้นทานนั้นถือว่าทําง่ายที่สุดในบรรดาบารมีทั้งหลายเนี่ยนะทานนี่ให้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเสียสละของภายนอกให้ไปไอ้คําว่าทานเนี่ยมหมายหมายเขาว่าให้ง่ายไหม อาจจะให้ของเล็กของน้อยของนิดของหน่อยของที่ไม่ประนีหรือเศร้าหมองก็าตามหรืออาจจะให้คนที่เราเคารพเป็นต้นถือว่าทำได้ง่ายเนี่ยนะั้นก็เลยแสดงทานนี่เป็นข้อต้นทีนี้ผู้ที่ให้ทานโดยมากจะรักษาศีลไม่ยากเพราะทานนี่ถือว่ามีอุปการะมากต่อการรักษาศีลทีนี้แล้วทำไมจึงแสดงศีลเป็นลาดับต่อมาเพราะว่าการให้ทานเนี่ยนะ จะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากเพราะผู้ให้มีศีลและผู้รับก็มีศีลถ้าให้แก่ผู้มีศีลก็มีผลมากมีอนิสงฆ์มากผู้ที่ให้ถ้ามีคุณธรรมคือศีลก็จะมีผลมากและมีอนิสงฆ์มากก็เลยแสดงศีลเป็นลําดับต่อมาเพราะคนที่จะให้ทานควรให้ที่ไหนควรให้แก่ผู้มีศีล แต่ถ้าตั้งคาถามว่าทานควรให้ที่ไหนบอกเลื่อมใสที่ไหนให้ที่นั่นแต่ถ้าถามว่าให้อย่างไรแล้วมีผลมากมีอนิสงฆ์มากให้กับใครจึงจะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากก็ให้แก่ผู้มีศีลมีสมถวิปัสนาผู้ที่อบรมเจริญอริยมรรคเป็นต้นเนี่ยให้แก่บุคคลเหล่านี้จึงมีผลมากมีอนิสงฆ์มากเพราะฉะทานอันศีลกําหนดแล้วจึงมีผลมากมีอานิสงฆ์มากก็เลยแสดงศีลเป็นลําดับต่อจากทาน ที่นี่ศีลเนี่ยนะศีลเนี่ยท่าเนกขมมะกําหนดแล้วศีลก็จะเป็นศีลที่มีผลมากเงียนิสงมากการรักษาศีลเนี่ยนะศีลเหล่านั้นเนี่ยถ้าจะเป็นวิเศษสะพาริยานี้หยุดอยู่แค่ศีลใช่ไหมศีลเนี่ยนำมาซึ่งอวิปปิสารปราโมทปีติปัสสติสุขถ้ารักษาศีลได้ดีจริงมีความสุขทั้งจารีตศีลและวารีศีลถ้าปฏิบัติตามนั้นอย่างสมบูรณ์จะมีความสุข ทนี้หยุดอยู่แค่สุขใช่ไหมบอกไม่พอถ้าจะให้พิเศษขึ้นต้องเจริญสมาธิพันเนคธรรมะคือสมาถะทั้งหลายพันผู้ที่รักษาศีลแล้วไปเจริญกรรมฐานเป็นต้นศีลจะดีและก็รักษาศีลได้อย่างต่อเนื่องเช่นว่าผู้มีศีลเจริญเมตตาอนุภาพของเมตตาทําให้มารักษาศีลได้การรักษาศีลแล้วไปเจริญกรรมฐานต่างๆ่าอนุภาพของกรรมฐานทําให้กลับมารักษาศีลได้ดีเพราะฉะนั้นศีลที่เนคธรรมะ กำหนดแล้วจะมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากเพราะอนุภาพของเนคขมมะอย่างเช่นผู้ที่สมาทานศีลเนี่ยนะเช่นสมาทานอุโบสถเนี่ยถ้าเป็นสมาทานอุโบสถเสร็จแล้วเจริญพรหมิหารศีลนั้นมีผลมากไหมบอกมีผลมากถ้าหากว่ารักษาศีลและเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นนี้มีผลมากไหมบอกมีผลมากฝันศีลเนีย่ยอเนคขมมะกําหนดแล้วจึงมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากเนคขมมะเนีย่ยนะ ที่มีปัญญากำหนดแล้วจึงมีผลมากมีอนิสง์มากถามว่าการเจริญเนฆา ม, มะถ้าไม่มีปัญญาประกอบเลยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัญญาประกอบจะรักษากุศลได้ไหมรักษาศีลให้ตลอดรอดฟังได้ไหมรักษากุศลคือเนฆา ม, มะให้ตลอดรอดฟังได้ไหมเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เนฆา ม, มะมีผลมากมีอนิสง์มาก กำหนดทิศทางของการเจริญอย่างเช่นเจริญเมตตาเจริญไปทาไมเมื่อเรามีเมตตามากๆแล้วดียังไงเป็นต้นนั้นคำอธิบายทั้งหมดจะต้องอาศัยปัญญาการเจริญพุทธานุสติเป็นต้นจะเจริญได้อย่างดีและต่อเนื่องเป็นต้นตัวอธิบายคุณธรรมเหล่านั้นก็คือปัญญาปัญญานี่เป็นตัวอธิบายทุกเรื่องเพราะผู้ที่มีปัญญานั้นสา ม, มารถที่จะพกโูลพัฒนา เพิ่มภูมกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรืออบรมสมาธิและผู้ที่มีปัญญาหรือตัวปัญญาสามารถเป็นฐานให้แก่ปัญญาต่อไปได้นะปัญญาน้อยเพิ่มคุณภาพปริมาณให้เป็นปัญญาใหญ่ๆยิ่งยิ่งขึ้นไปปัญญาเบื้องต้นเป็นปัจจัยแก่ปัญญาเมืองปลายปัญญาที่เป็นโลกิยะก็เป็นอุปนิสัยแก่ปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญานั้นเป็นตัวกําหนดเนคขมมะนะเป็นตัวกําหนดว่า อย่างเช่นผู้ที่เจริญเนคขมานี่ถือว่าเป็นกุศลใช่ไหมเป็นกระแสแห่งกระแสสายทานแห่งบุญกุศลใช่ไหมบอกใช่กระแสแห่งเมตตากระแสแห่งพุทธานุสติเป็นต้นไหลสืบเนื่องไปในใจอย่างเช่นขณะที่เราทั้งหลายจะสวดมนต์กันอยู่เนี่ยจริงๆก็เป็นกุศลจิตที่เป็นไปกับสวดมนต์นี้ก็เป็นเนคขมะก็เป็นการออกจากอากุศลในขณะนนั้นั้น เป็นพุทธานุสติเป็นธรรมานุสติเป็นสังขานุสติเป็นการสมาทานศีลเป็นต้นกุศลธรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นเนกขมมะทั้งหมดทีนี้ถามว่าถ้าทําแบบไม่มีความรู้เนี่ยคิดว่าจะทําได้นานไหมเนี่ยนะทำแบบไม่รู้ประโยชน์ไม่เห็นผลกําไรที่เกิดจากการกระทําเหล่านี้จะปฏิบัติต่อไปไหมเป็นต้นหลังการรู้ผลผลแห่งการเจริญเนี่ยนะผู้ที่ยังไม่เจริญก็ปรารถนาที่จะเจริญ ผู้ที่เคยเจริญแล้วก็ปรารถนาจะเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะมีความรู้มีความเข้าใจปัญญานั้นไปกำหนดเนกขัมมะจึงมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากทีนี้การเจริญกุศลเหล่านั้นผู้ที่มีปัญญาเคยเห็นคนฉลาดแต่ขี้เกียจไหมฉลาดนะโอ้โหถ้าอ่านแป๊บเดียวนี้ก็เข้าใจหมดรู้หมดเข้าใจไม่ยากคนนี้ขอให้ขยันอย่างเดียวเถอะอย่างที่พระ อ, องค์บอกว่าคนนี้ถ้าตื่นอย่างเดียวได้ดีหมดเลย ปัญหาว่ามันหลับมากเกินไปแค่นั้นเองหรือบางคนเกียจคร้านมากเกินไปปล่อยจิตให้เป็นไปกับเรื่องอื่นมากเกินไปอย่างหลายคนเนี่ยฉลาดนะก็บอกอู้อ่านพระไตรปิฎกไม่รู้เรื่องจริงๆเขาไม่ยอมอ่านแค่นั้นเองไม่ใช่เขาไม่มีความสามารถทําความเข้าใจไม่ได้จริงๆแล้วเขามีความรู้มีความเข้าใจเขามีปัญญาพอจะอ่านได้ความสามารถของเขารู้ได้แต่เขาเอาไปใช้อย่างอื่นหมดขาดความเพียรที่จะเจริญ กุสลธรรมนั้นเขาขาดความเพียรที่จะให้ทานขาดความเพียรที่จะรักษาศีลขาดความเพียรในการเจริญกรรมฐานขาดความเพียรในการเจริญปัญญาเพราะถ้าเขามีความเพียร น, นะคนฉลาดด้วยขยันด้วยนี่ดีใช่ไหมแต่โดยมากคนฉลาดขี้เกียจไอคนขยันก็ไม่ค่อยฉลาดงานก็เลยไม่ค่อยเดินเท่าที่ควรเพราะฉะถ้าหากว่าคนที่ฉลาดมากแล้วขยันด้วยอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเป็นอย่างมากนีนะ อย่างคนที่รู้วิธีช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสุขอะแต่ขี้เกียจซาอะไรจะเกิดขึ้นรู้หมดนะว่าจะต้องทํายังไงยังไงบ้างแต่ขี้เกียจพูดอย่างเงี้ยจบเลยนะสมมุติอะอย่างว่ามีบางคนมีความรู้พระไตรปิฎกอย่างดีเยี่ยมแต่ขี้เกียจพูดแค่เนี้ยเหตุผลอย่างเงี้ยนะทุกอย่างจบหมดเลยใช่ไหมเพราะนนัน้ถ้าหากว่าความเพียรเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยปัญญามากทําให้ปัญญานั้นมีผลมากมีอนิสงส์มาก พความเพียรตัวนี้แหละเป็นตัวตอกย้ำเพิ่มพูนตัวคุณภาพของปัญญาให้ปัญญานั้นอ่ะสูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้ปัญญานั้นมากปริมาณด้วยคุณภาพเนี่ยนะทีนี้คนที่มีความเพียรเนี่ยนะถ้ามีความอดทนต่ำจะว่าไงแรงเร็วฉลาดแต่ว่าไม่อดทนนะเจออุปสรรคนิดๆเข้าหน่อยเนี่ยนะนะเจอคำชมเข้าหน่อยก็พองเลิกเลย เจอเขาด่าหน่อยเจออุปสรรคหน่อยเนี่ยนะเขาบอกว่าคําว่าอดทนเนี่ยทนได้ทั้งคําชมและคําด่านะหมายถึงว่าถึงได้รับคําชมก็บางคนเนี่ยนะเลิกเลยถูกชมมากๆเลิกบางคนถูกด่ามากๆก็เลิกฉั้นคนที่มีความอดทนนั้นจะเจออุปสรรคทั้งถูกชมและถูกด่าก็ไม่เลิกหรืออันนี้นี่ยกโลกธรรมฝ่ายนินทากับสรรเสริญทีนี้ในขณะเดียวกันเจอโลกธรรมอื่นๆอีกก็ไม่สามารถทําให้ยุกหรือทําให้ ฟูครับว่าไม่ทําให้ยุบหรือไม่ทําให้ฟูสามารถที่จะดําเนินกุศลธรรมเหล่านั้นต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะอันนี้อาศัยขันติคือความอดทนอดทนทั้งโลกกระทำฝ่ายดีอดทนทั้งโลกกระ ท, ท, ท, ทำฝ่ายร้ายบางคนเนี่ยให้ทานรักษาศีลเจริเนฆะธรมะอบรมปัญญาวิริยะไปหน่อยพอป่วยก็เลิกเลยเนี่นะบางคนเนี่ยทำจนป่วยพอสุขภาพดีก็เลิกเลยอย่างนี้นก็มีทําจนหายป่วยเลิกก็กพอหายป่วยเสร็จก็เลิก บางคนเนี่ยพอทําจนป่วยก็เลิกแต่น้อยมากที่จะเจริญได้ทั้งป่วยและไม่ป่วยก็เจริญได้ทั้งหมดทั้งสุขและทุกข์ก็เจริญได้เจริญได้ทั้งเวลาสุขและเวลาทุกข์อันนั้นเรียกว่าสัญชาติแห่งคนมีความอดทนเนี่ยนะคนที่มีขันตินั้นก็คือคนที่สามารถให้กุศลธรรมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคไม่ได้มองว่าอะไรเป็นปัญหาในการเจริญกุศล เพราะผ้าเพียรพยายามได้อย่างต่อเนื่องเพราะคนที่มีความเพียนและเป็นคนที่มีความอดทนนั้นนะะความเพียนอนั้นจึงจะมีผลมากและมีอานิสงส์มากทีนี้คนที่มีความเพียนเนี่ยนะอาศัยขันติเป็นเครื่องกําหนดแล้วขันติล่ะจะต้องมีสัจจะไม่งั้นนี่ถามว่ามัทนไปทําไมทําไมต้องทนด้วยถ้าจะมีคําถามว่าทําไมต้องทนทนไปทําไม อย่างที่รองทนเขาบอกโอ้ยผมเนี่ยทนทนทนจริงๆแล้วทนไปทําไมคําถามว่าทนไปทําไมครับรักษาสัจจะเขาบั้นเพราะว่าได้เคยพูดเอาไว้ว่าจะต้องทนจะเจออะไรก็ต้องทนเพราะคําพูดที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้เลยก็เลยจำทนมางั้นเพราะนั้นความอดทนนี้บางทีก็เกิดจากสัจจะเกิดจากอา น, นะวจีสัจจะเคยคําพูดที่เคยพูดไว้ อย่างเช่นพูดว่าจะต้องให้ทานพูดว่าจะต้องรักษาศีลจเจริญเนคขัมมะพูดว่าจ ะ, จะเจริญปัญญาพูดว่าจ ะ, จะเจริญวิริยะพูดว่าจะมีความอดทนแล้วก็พูดว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดเพื่อโพธิญาณเพื่อการตรัสรู้คำพูดเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นทิศทาง น, นะคะคนที่มีความอดทนได้ก็เพราะดารงอยู่ในสัจจะเพราะมีวจีสัจจะแล้วก็มีญาสัจจะ แยกแยะรู้เพราะว่าได้เคยพูดเอาไว้ น, นะอย่างบางคนเนี่ยเป็นคนโลเลหน่อยนะถ้าประกาศพองไปแล้วก็ถือว่าไม่เลิกยังไงก็ไม่เลิก น, นะยอมรับอดทนทนได้เสมอเพราะอะไรเพราะคําพูดมาค้ำคอตัวเองไว้เรียบร้อยหมดแล้วทัานบางคนนี่แกล้งให้เขายืนยันสักพักหนึ่งถ้าเขายืนยันเสร็จก็ถือว่าเรียบร้อยอ น, นะยืนยันว่าเอาจริงแน่เนยนะเจริญกุศลจริงไม่เลิกไม่ราเป็นต้นเนะทีนี้คนที่พูดจริงเนี่ยนะพูดว่าทําอะไรเอาสมมติถ้าจะพูดพูดจริงอะ่ะ กันสัจจะเนี่ยจึงเป็นลำดับต่อมาคืออธิฐานถ้ามีสัจจะเนี่ยถ้าเราจะพูดให้เป็นสัจจะพูดทำไมตั้งสัจจะไว้เลยแล้วตั้งเนี่ยตั้งเคือทอี่ฐานตั้งสัจจะด้วยอธิฐานว่าหรืออธิฐานด้วยสัจจวาจาว่าเราจะให้ทานทรานอย่างที่พระเจ้าสีวิราชเนี่ยท่านฉลาดพูดท่านบอกว่าใครที่บอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ตายแล้วตกนรกอย่างง้นะ เพราะฉะนั้นเราจะให้ไม่มีเหตุผลใดที่มาขวางว่าให้อย่างอื่นเธอพระเจ้าข่าเขาไม่ได้ขออย่างนั้นเขาขออย่างนี้แล้วเราก็จะบอกว่าจะให้อย่างนี้เขาขอตาเราก็บอกจะให้ตาเขาไม่ได้ขอช้างขอมาฉะนั้นขอตาให้ช้างให้มาได้อย่างไรครับคนที่บอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ตายแล้วตกนรกเป็นต้นน้นท่านก็หาคำพูดมาคำของท่านแล้วท่านตั้งใจอย่างมั่นว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ต้องให้อย่างคนที่รักษาศีลก็เหมือนกันอย่าง หลายๆชาติที่ท่านรักษาศีลอยู่ได้ท่านสมาทานศีลคําพูดที่เป็นสมาทานศีลนี่เป็นสัจจะวาจาใช่ใจที่ตั้งมั่นว่าจะต้องกุศลศีลอย่างสืบเนื่องและต่อเนื่องอันนั้นก็เป็นอธิฐานสมาทานเลยว่าจะต้องเจริญศีลสมาทานไว้เลยว่าจะต้องเจริญเนคข ม, มะวาจาสัจก็เปล่งออกมาใจที่ตั้งมั่นคืออธิฐานอธิฐานคือใจที่ตั้งมั่นเปล่งสัจจะวาจาว่าจะให้ทานรักษาศีลเจริญเนคขมะอบรมปัญญา ภาคเพียรด้วยวิริยะมีขันติแล้วก็ใจตั้งมั่นในสัจจะว่าจะต้องรักษาสัจจะอันนี้ต่อไปใจมั่นเสมอในสัจจะไม่ยอมเปลี่ยนจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ขอเปลี่ยนใจตอนแรกเขาบอกเขาไม่เปลี่ยนวาจาก่อนใช่ไหมว่าคําไหนคํานั้นแต่แม่มันนึกเปลี่ยนใจมันกันนะบอกยังไงใจก็ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ขอเปลี่ยนใจเด็ดขาดอย่างนั้นนะพอมีวจีสัจจะแล้วก็มีมโนสัจจะด้วยนะอธิษฐานเนี่ยนะใจต้องตั้งมั่นเลยลนะ่ะ ทีนี้บางคนเนี่ยอธิษฐานอธิษฐานไปทําไมตั้งเพื่ออะไรเมตตาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่ทําทั้งหมดเนี่ยนะเป้าหมายอันเดียวคือเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันนั้นเป็นเมตตาทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายพราันจิตใจที่ตั้งมั่นเพื่อจะให้ทาน <ías. S 1> ก็จะได้มีมีความสุขต่อผู้รับ รักษาศีลก็เพื่อให้อภัยต่อผู้รับเหมือนกันเพราะนั้นทานก็คือวัตถุทานศีลก็คืออภัยทานที่เหลือก็เป็นลักษณะของธรรมทานเนี่ยนะที่ให้กุศลธรรมภายในและเพิ่มพูนสติปัญญาและของภายนอกเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมบารมีเพื่อการตรัสรู้คือผู้ให้ให้ทั้งวัตถุให้ทั้งอภยัย ให้ทั้งสติบัญญาให้ทั้งความรู้ให้ทั้งคุณธรรมมันทำทุกอย่างเพื่อให้เขานะสรุปว่าทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายทีนี้ถามว่าเมื่อท่านทำเสร็จท่านตามลำเลิกไหมว่าฉันให้ของเธอเท่านี้นะฉันนี่ให้อภัยเธอมาตลอดเลยนะรู้ไหมว่าเนี่ยนะฉันให้ความรู้เธอไปเท่าไหร่ให้ให้ให้ให้ให้ใหใหฉันเนี่ยให้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะติดเลยไม่ติด หรือบางทีเนี่ยติดว่าแม่ในฉันให้ขนาดนี้เธอยังทําร้ายฉันขนาดนี้หรือเป็นต้นเนี่ยก็จึงอุเบกขาแบไม่ติดใจเลยแต่นะสิ่งที่ทํำก็ทําไปแล้วบุญก็สําเร็จไปแล้วไม่ติดใจด้วยอํานาจตันหาไม่ติดใจด้วยอํานาจโทสะบางคนเนี่ยนะเช่นไปให้ทานแลกลับมาได้พยาบาทอย่างเงี้ยนะบางคนรักษาศีลกลับมาแล้วได้พยาบาทเจริญเนฆคัมมากลับมาแล้วได้พยาบาทก็เนื่องจากติดใจ หรือไม่ทําเสร็จแล้วก็ตันหาตามมาก็ไม่ใช่เพราะอุเบขาทั้งไม่ติดด้วยอํานาจโลไม่ติดด้วยอํานาจโลภะไม่โกรธเคืองด้วยอํานาจโทสะเรียกว่าพูดแบบภาษาไทยเราเรียกวปล่อยเต็มที่เลยนะปล่อยวางเมื่อทําเสร็จเรียกว่าปล่อยวางทีนีน้ปล่อยวางแล้วบางคนเนี่ยหยุดทำไมปล่อยเสร็จแล้วอยู่เฉยเฉยจะไม่ไหมให้ฐานต่อไปให้ฐานเรียกว่าทํากิจกรรมใหม่ๆไปเรื่อยๆสร้างกุศลและทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะ เต็มจนกว่าเรียกว่าบารมีจะเต็มตรัสรู้ได้ทุกอย่างนี่จะเป็นลําดับอย่างนี้แล้วก็ทานที่มีผลมากมีอนิสงส์มากก็เพราะมีศีลศีลจะมีผลมากมีอนิสงส์มากก็เพราะเจริญเนฆะขมมะเนฆะขมมะที่มีผลมากก็เพราะมีปัญญาปัญญาที่มีผลมากก็เพราะว่ามีความเพียรความเพียรที่มีผลมากก็เพราะมีขันติมีความอดทนความอดทนที่มีผลมากก็เพราะมีสัจจะสัจจะที่มีผลมากก็เพราะมีอธิษฐานอธิษฐานที่มีผลมากก็เพราะ ทำด้วยเมตตาหวังประโยชน์และความสุขทีนี้เมตตาที่มีผลมากเลยนะบางคนก็บอกเออเนี่ยปล่อยเหยื่อหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเมตตาเนี่ยถ้าหากว่า เ, ออเมตตาเนี่ยมันเป็นสะพานที่เรียกาลักษณะคล้ายคปล่อยเหยื่อก็ได้คําว่าปล่อยเหยื่อนี่หวังดีต่อสัตว์ที่กินเหยื่อไหมไม่เพราะนัออ้นถ้าเมตตาที่ที่ไม่มีตอนท้ายไม่ใช่เจริญอุเบกขาลักษณะก็จะเท่ากับการปล่อยเหยื่อนั่นเองแต่นี้ไม่ใช่ หมายเขาว่าให้แล้วให้เลยสรุปว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์และความสุขได้ก็ถือว่าเป็นเป็นที่พอใจสานวนว่าเรียกแทบไม่มีเวลาตามนึกเลยว่าช่วยใครไปบ้างไม่ได้มองลักษณะนั้นถามว่าไม่นึกถึงคนที่เราช่วยแต่นึกถึงบุญที่ตัวเองทํำไหมนึกถึงบุญที่ตัวเองทํานะเพราะว่าคําว่ากระตันยูนี่หมายว่านึกถึงความดีที่ตัวเองได้กระทําไว้ แต่ไม่ได้เป็นนึกว่าทำกับใครที่ไหนอย่างไรไม่สนใจสนใจแต่ว่าความดีเราได้ทําไม่แล้วบุญเราได้เจริญไม่แล้วเนี่ยนะมันถ้าแต่ถ้าหากว่าเราไปตามระลึกเฉพาะผู้ที่เราทําให้เนี่ยนะแม่เมื่อไหรเขาจะคิดถึงเราวังไงก็กลายเป็นตามมาด้วยตันหาตามมาด้วยอภิชาและโทมนัสถ้าเขามาอย่างที่ใจนึกก็ดีใจถ้าเขาไม่มาอย่างใจว่าก็เสียใจก็เพราะไม่มีอุเบกานั่นเองนั้น เมตตาที่ที่มีอุเบกขาจึงเป็นเมตตาที่มีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากหรืออีกในหนึ่งบอกว่าอุเบกขาอันกรุณากําหนดกรุณาอันอุเบกขากําหนดหมายว่าแล้วอุเบกขาที่มีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากเพื่ออะไรเป็นกรุณาอย่างแท้จริงเนีนะเป็นกรุณาจริงๆว่าที่อุเบกขาก็คือบางทีเนี่ยนะไ อ, ไอ้ถ้าไม่มีอุเบกขาเลยเนี่ยนะ ช่วยเหลือเขาจริงได้ไหมไม่ได้เพรันธ์จะต้องทำทำจริงๆละการกระทําการบําเพญ็ญบารมีทั้งทั้งสิบประการเนี่ยวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่ว่าเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากทุกวัตถุประสงค์อยู่เท่านั้นเพันธ์บารมีทั้งสิเนี่ยมงกุฎของบารมีอันนั้นสุดท้ายก็คืออุเบกขาแต่ที่อุเบกขาก็คือเพื่อช่วยให้เขาประสบความสุขช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์วัตถุประสงค์คงเดิมคือทําชนไหนสัตว์ทั้งหลายจึงจะได้พ้นจาก ความทุกข์ทีนี้บอกว่าปรารถนาที่จะช่วยทำให้สัตว์พ้นทุกข์เนี่ยนะแล้วก็ต้องช่วยอย่างเป็นคนที่รู้เวลาเนี่ยนะเพราะมีอุเบกขาอย่างที่ว่าอุเบกขาอันกรุณากำหนดกรุณาก็อุเบกขากำหนดเหมือนกันอุเบกขาเป็นตัวบอกเลยว่าควรเจริญกรุณาเมื่อไรเพราะอาจารย์บางท่านก็บอกว่าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ว่าท่านอุเบกขาตลอดเวลา และก็ไม่ใช่อุเบกขาโดยประการทั้งปวงแต่กรุณาเป็นตัวบอกว่าเมื่อไหรควรอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นตัวคอยบอกกรุณาว่าควรจะแค่ไหนอันนี้คือ ว, ว่าทําแบบคนมีปัญญาใช่ไหมคือ ว, ว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยจะไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าทําไม่เป็นนะถ้ามีแต่กรุณาเบียดเบียนตนถ้ามีแต่อุเบกขาไม่แน่อาจจะเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะเพราะว่าคนอื่นเสริมประโยชน์ก็ถือว่าเบียดเบียนผู้อื่น หนะมายความว่าแทนที่จะพอจะช่วยได้ก็กลับไม่ช่วยดันั้นอุเบกขาเนี่ยทำให้ไม่เบียดเบียนตนกรุณาทําให้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นดันั้นจึงบําเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ได้อย่างสม่ําเสมอแต่ก็ไม่ใช่อุเบกขาทั้งกปีแต่ก็ไม่ใช่กรุณาซะจนเขาว่ารู้ความพอดีอ่ะนะเป็นกาละวาทีบุคคลรู้ความเหมาะความสมรู้อะไรสมควรเมื่ อ, อไร่อย่างไรเนี่ยเป็น แสดงว่าต้องมีปัญญามากเลยนะจึงจะเจริญได้บางท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่วางเฉยในสัตว์ทั้งหลายแต่วางเฉยในความไม่เหมาะสมที่สัตว์ทั้งหลายกระทาหมายความว่าเอาอุเบกขาของท่านเนี่ยนะเวลาจะช่วยคนอื่นเนี่ย พ, พูดจริงจริงช่วยง่ายไหมล่ะสมมถ้าเราจะช่วยอะไรก็ได้เนี่ยนะช่วยให้เขาประสบความสุขและความเจริญเนี่ยไม่ใช่ช่วยง่ายๆเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาเองก็เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมชวนให้เครียดอยู่เรื่อยนะจะช่วยใครสักคนหนึ่งช่วยให้เขาประสบความเจริญเนี่ยเขาก็กวนโทสะอยู่เรื่อยใช่ไหมพังก็ต้องอดทนวางเฉยในกิริยาที่ไม่เหมาะสมโดยประการทั้งปวงถ้าแปลนเนี่ยกระว่าให้อภัยเป็นนะให้อภัยเป็นก็ไม่ต้องไปสนใจในในกรณีที่เขาทำไม่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยนะจะช่วยใครสักคนหนึ่งอาจจะช่วยสัตว์ใดเนี่ยนะบางทีสัตว์เหล่านั้นก็เรื่องมากนะ เมื่อกัว่าอุตส่าห์ยกอาหารมาให้นะบ่นโน่นบ่นนี่บน่นซะจนจะไม่กินก็ไม่ใช่กินแต่ว่ากินด้วยบ่นอย่างเงี้ยนะคำบ่นก็ทนไปเถอะให้เขากินได้ก็ถือว่าอาลลอให้เขาอิ่มเขามีความสุขก็ใช้ได้เขาจะบ่นบ้างก็ทนเอาเนี่ยนะผมว่าไม่ต้องไปฟังถือว่าเนี่ยเสียงนกเสียงกาไปมนาศิการเสียงอื่นๆไปก็แล้วกันเนี่ยนะไม่ต้องไปสนใจฟังเสียงบน่นเสียงนั้นหรอกเหมือนกันพัน กิริยาที่ไม่เหมาะสมที่สัจธรรมออกมาเนี่ยนะอย่างเช่นช่วยเหลือคนอื่นปราถนาคนอื่นให้คนอื่นประสบความสุขความเจริญพอเขาเจริญแล้วกลับมาเล่นงานอย่างไงเป็นต้นเนี่ยนะกลับมาแทนที่จะมาบูชากลับเป็นผู้มาทำลายเป็นต้นก็ไม่ไม่ต้องไปสนใจเรียกว่าวางเฉยซะนะเพราะว่ากิจอันใดที่ควรทำก็ถือว่าได้ทำกิจอันนั้น เสร็จแล้วเนี่ยนะบุญกุศลก็ทําสําเร็จแล้วบารมีเหล่านั้นก็ทําเสร็จแล้วก็เลยวางใจวางเฉยเนี่ยนะก็ถือว่าไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้วว่า ง, งั้นจบแล้วว่า ง, งั้นแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรแล้วมันนั่งเฉยเฉยเรบอกจบแล้วจบแล้วเฉยเลยอย่างงี้ก็ไม่ใช่หมายคำว่าทําทุกอย่างอย่างสมบูรณ์เพียบพร้อมเสร็จแล้วอันนี้ถือว่านัยะที่หนึ่งนะพูดถึงลำดับนัยะที่หนึ่งที่เป็นไปโดยลำดับว่าทุกอย่างนั้นจะช่วยเหลือเกือก้อกูลกันให้มีผลมากมีอนิสงฆ์มาก มีผลมากมีอันนี้สองมากแปลว่าทุกอย่างจะช่วยกันทําให้กําไรแต่ละตัวดีขึ้นอันนี้สองแปลว่ากําไรนะหมายความว่าศีลจะช่วยให้ทานนี่มีกําไรมากเนคคัมมะก็ช่วยให้ศีลเนี่ยมีกําไรเยอะปัญญาก็ช่วยทําให้เนคคัมมะมีกําไรมากวิริยะก็ทําให้ปัญญามีกําไรมากขันติก็ทําให้วิริยะมีกําไรมากสัจจะก็ทําให้ขันติมีกําไรมากอธิษฐานก็ทําให้สัจจะมีกําไรมากเมตตาก็ทําให้ อธิษฐานมีกําไรมากอุเบกขาก็ทําให้เมตตานี่กําไรสูงเนี่ยนะเพราะถ้าทําตามนี้บอกทุกอย่างกําไรดีหมดเลยกําไรคืออะไรผลที่ออกมาสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะเพราะผลที่เกิดจากก า, การลงทุนอันนี้เนี่ยผลผลลัพธ์ก็คือสัมมาสัมโพธิญาณได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นไปตามแผนอย่างั้นฮะเพราะเป็นไปตามแผนเป็นไปตามอย่างโครงสร้างที่วางไว้ทั้งหมดจนได้ตรัสรู้ตามนั้นอย่างแท้จริง